เถ้าเห็นทุกข์จะพบความสุขที่เหนือโลกโลกดึงดูดเราเอาไว้ได้เพราะเราเห็นว่าโลกนี้มีความสุขแต่ถ้าสติปัญญาแก่รอบขึ้นมาจะเห็นว่าโลกนี้มีแต่ความทุกข์ทุกข์เพราะไม่เที่ยงบ้างทุกข์เพราะถูกบีบคั้นบ้างทุกข์เพราะเราบังคับไม่ได้จริงบ้างทุกข์เพราะไม่สมอยากบ้างพอเห็นอย่างนี้มากเข้ามากเข้าใจจะสลัดตัวออกจากโลกไปแล้วมันจะไปพบความสุขอีกชนิดหนึ่งคือความสุขที่เหนือโลก